ตัวอย่างคำอธิบายแบบช่วงกว้างที่สุดเพื่อให้คำอธิบายสั้นและง่ายเห็นว่าควรใช้วิธียกตัวอย่างดังนี้ในที่นี้ทุกหัวข้อท่านจะมีสัญลักษณ์ลูกศรพุ่งไปหาแต่ละคำนั้นนะครับอาสวะมีลูกศรพุ่งไปหาอาวิชชาคือน่าจะหมายถึงอาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา อวิชาเข้าใจว่าการเกิดในสวรรค์เป็นยอดแห่งความสุขเข้าใจว่าฆ่าคนนั้นคนนี้เสียได้เป็นความสุขเข้าใจว่าฆ่าตัวตายเสียได้จะเป็นสุขเข้าใจว่าเข้าถึงความเป็นพรหมแล้วจะไม่เกิดไม่ตายเข้าใจว่าทำพิธีบวงสวงเส้นสังเวยแล้วจะไปสวรรค์ได้เข้าใจว่าจะไปนิพพานได้ด้วยการบำเพ็ญตบะ เข้าใจว่าตัวตอนอันนี้นั่นแหละจะได้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่โดยการกระทำอย่างนี้เข้าใจว่าตายแล้วศูนย์เป็นต้นจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเนื้คิดตั้งเจตจำนงไปตามแนวทางหรือโดยสอดคล้องกับความเข้าใจนั้นๆคิดปรุงแต่งวิธีการและลงมือกระทำการต่างๆคือเป็นกรรม ด้วยเจตนาเช่นนั้นเป็นกรรมดีคือบุญบ้างเป็นกรรมชั่วคืออบุญหรือบาปบ้างเป็นอเนญชาบ้างจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเกิดความตรนักรู้แล้วรับรู้อารมณ์ต่างๆเฉพาะที่เป็นไปตามหรือเข้ากันได้กับเจตนาอย่างนั้นเป็นสำคัญพูดเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆก็ว่า จิตอรูปวิ ญ, ญญาณถูกปรุงแต่งให้มีคุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแบบใดแบบหนึ่งเมื่อตายพลังแห่งสังขารหรือกรรมที่ปรุงแต่งไว้จึงทําให้ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติเหมาะกับตัวมันปฏิสนธิขึ้นในภพและระดับชีวิตที่เหมาะกันคือถือกําเนิดขึ้นจากนั้นจึงเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป กระบวนการแห่งการเกิดก็ดาเนินการก่อรูปเป็นชีวิตที่พร้อมจะปรุงแต่งกระทํากรรมต่างๆต่อไปอีกจึงเกิดมีรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันขึ้นโดยครบถ้วนประกอบด้วยคุณสมบัติและข้อบกพร่องต่างๆตามพลังปรุงแต่งของสังขารคือกรรมที่ทำมาและภายในขอบเขตแห่งวิสัยของภพที่ไปเกิดนั้น สุดแต่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ดิรัชานเทวดาเป็นต้นจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตรนะนัแต่ชีวิตที่จะสนองความต้องการของตัวตนและพร้อมที่จะกระทำการต่างๆโต้อตอบต่อโลกภายนอกจะต้องมีทางติดต่อกับโลกภายนอกสำหรับให้กระบวนการรับรู้ดำเนินงานได้ดังนั้นอาศัยนามรูปเป็นเครื่องสนับสนุน กระบวนการแห่งชีวิตจึงดำเนินต่อไปตามพลังแห่งกรรมถึงขั้นเกิดอายตนะทั้ง6คือประสาท ต, ตาหูจมูกลิ้นกายและเครื่องรับรู้อารมณ์ภายในคือใจจากนั้นจึงเป็นปัจจัยให้เกิดภาษะกระบวนการแห่งการรับรู้ก็ดำเนินงานได้โดยการเข้ากระทบหรือประจวบกันระหว่างองค์ประกอบสามฝ่าย คืออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายและใจกับอารมณ์หรืออายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะและธรรมารมณ์ละวิญญาณจากขววิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมนโนวิญญาณเมื่อการรับรู้เกิดขึ้นครั้งใด จึงเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความรู้สึกที่เรียกว่าการสวยอารมณ์ก็จะต้องเกิดขึ้นในรูปใดรูปหนึ่งคือสุขสบายหรือสุขเวทนาไม่สบายเจ็บปวดเป็นทุกข์คือทุกขเวทนาหรือไม่ก็เฉยเฉยคืออัทุกขมะสุขเวทนาหรืออุบเบกขาวเวทนาและโดยวิสัยแห่งปุถุชน กระบวนการยอมไม่หยุดอยู่เพียงนี้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาถ้าสุขสบายก็ชอบใจติดใจยอยากได้หรืออยากได้ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเกิดการทยานอยากและแสหาต่างๆถ้าเป็นทุกข์ไม่สบายก็ขัดใจขัดเคืองอยากให้สูญสิ้นให้หมดไปหรือให้พ้นๆไปเสีย ด้วยการทำลายหรือหนีไปให้พ้นก็ตามเกิดความกระวนกระวายดิ้นรนอยากให้พ้นจากอารมณ์ที่เป็นทุกข์ขัดใจอันไปหาไปเอาสิ่งอื่นอารมณ์อื่นที่จะให้ความสุขได้หรือไม่ก็รู้สึกเฉยเฉยคืออุเบกขาซึ่งเป็นความรู้สึกอย่างละเอียดจัดเข้าในฝ่ายสุขเพราะไม่ขัดใจเป็นความสบายอย่างอ่อน รู้สึกเรื่อยๆ เ, เพลินๆจากนั้นจึงเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานความอยากเมื่อรุนแรงขึ้นก็กลายเป็นยึดคือยึดติดถือมั่นติดสยบหมกมุ่นในสิ่งนั้นหรือเมื่อยังไม่ได้ก็อยากด้วยตัณหาเมื่อได้หรือถึงแล้วก็ยึดฉุ๋ยไว้ด้วยอุปาทาน และเมื่อยึดมั่นก็ไม่ใช่ยึดแต่อารมณ์ที่อยากได้คือกามุ ป, ปาทานเท่านั้นแต่ยังพ่วงเอาความยึดมั่นในความเห็นทฤษฎีทิษฐิต่างๆที่เกี่ยวเนื่องคือทิฏฐ ป, ปาทานความยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติและข้อปฏิบัติที่จะให้ได้สิ่งที่ปรารถนาคือศิลปะพุตปาทานและความยึดติดถือมั่นในตัวตน คืออัตวาทุปาทานผัวพันเกี่ยวเนื่องกันไปด้วยความยึดติดถือมั่นนี้จึงเป็นปัจจัยก่อให้เกิดภพเจตนาเจ็ดจำงที่จะกระทำการเพื่อให้ได้มาและให้เป็นไปาตามความยึดติดถือมั่นนั้นและนำให้เกิดกระบวนพฤติกรรมคือกรรมมาภพทั้งหมดขึ้นอีก เป็นกรรมดีกรรมชั่วหรืออเนียนชาสอดคล้องกับตัณหาอุปาทานนั้นๆเช่นอยากไปสวรรค์และมีความเชื่อที่ยึดไว้ว่าจะไปสวรรค์ได้ด้วยการกระทำเช่นนี้ก็กระทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่ต้องการพร้อมกับการกระทำนั้นก็เป็นการเตรียมภาวะแห่งชีวิตคือขันห้าที่จะปรากฏในภพที่สมควรกับกรรมนั้นไว้พร้อมด้วย คืออุ ป, ปพพาติภพเมื่อกระบวนการก่อกรรมดำเนินไปเช่นนี้แล้วครั้นชีวิตช่วงหนึ่งสิ้นสุดลงพลังแห่งกรรมที่สร้างสมไว้หรือกรรมมาภพก็ผลักดันให้เกิดการสืบต่อขั้นต่อไปในวงจรอีกคือเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเริ่มแต่ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับพลังแห่งกรรมนั้นปฏิสนธิขึ้นในภพที่สมควรกับกรรมบังเกิดขันห้าขึ้นพร้อมเริ่มกระบวนการแห่งชีวิตให้ดำเนินต่อไปคือเกิดนามรูปสลายตนะพัสสะและเวทนาขึ้นหมุนเวียนวงจรอีกและเมื่อการเกิดมีขึ้นแล้วยอมเป็นการแน่นอนที่จะต้องมีชรามรณะ ความเสื่อมโทรมและแตกดับแห่งกระบวนการของชีวิตนั้นสำหรับปุชนชรามรณะนี้ยอมคุกคามบีบคั้นทั้งโดยชัดแจ้งและแฝงซ่อนอยู่ในจิตส่วนลึกตลอดเวลาดังนั้นในวงจรชีวิตของปุชนชรามรณะจึงพ่วงมาพร้อมด้วยโศกะปริเทวะทุกโทมนันตุปายาต ซึ่งเรียกรวมว่าความทุกข์นั่นเองคำสรุปของปฏิจจสมุปบาทจึงมีว่ากองทุกข์ทั้งปวงจึงเกิดมีด้วยอาการอย่างนี้อย่างไรก็ดีในฐานะที่เป็นวัตตะหรือวงจรความสิ้นสุดจึงไม่มีณนะที่นี้แท้จริงองค์ประกอบช่วงนี้ กลับเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งอีกต่อนหนึ่งที่จะทำให้วงจรหมุนเวียนต่อไปล่าวคือโสกะความแห้งใจปริเทวะความร่ำไรทุกข์โทมนต์ความเสียใจอุปาญาตความผิดหวังขับแค้นใจเป็นอาการสแสดงออกของการมีกิเลส ท, ที่เป็นเชื้อหมักดองอยู่ในจิตสันดานที่เรียกว่าอาสวะ อาสวะนั้นได้แก่ความฝ่ายใจในสิ่งสนองความอยากทางประสาททั้งหและทางใจคือกามาสวะความเห็นความยึดถือต่างๆเช่นยึดถือว่ารูปเป็นเรารูปเป็นของเราเป็นต้นคือทิฏฐาสวะความชื่นชอบอยู่ในใจว่าภาวะแห่งชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสิ่งดีเลิศประเสริฐมีความสุข หวังใจใฝ่ฝันที่จะได้อยู่ครองภาวะชีวิตนั้นสวยสุขให้นานแสนนานหรือตลอดไปคือภาวาสวะและความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นคือวิชาสวะเชรามรณะเป็นเครื่องหมายแห่งความเสื่อมสิ้นสลายซึ่งขัดกับอาสวะเหล่านี้เช่นในด้านกามาสวะ สรามรณะทำให้ปุถุชนเกิดความรู้สึกว่าตนกำลังพลัดพรากหรือหมดหวังจากสิ่งที่ชื่นชอบที่ปรารถนาในด้านทิฏฐาสวะเมื่อยึดถืออยู่ว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราพอร่างกายแปรปรวนไปก็ผิดหวังแห้งใจในด้านภวาสวะทำให้รู้สึกตัวว่า จะขาดพลาดพรากผิดหวังหรือหมดโอกาสที่จะครองภาวะแห่งชีวิตที่ตัวชื่นชอบอย่างนั้นอย่างนั้นในด้านอาวิชชาสวาก็คือขาดความรู้ความเข้าใจมูลฐานตั้งต้นแต่ว่าชีวิตคืออะไรความแก่ชราคืออะไรควรปฏิบัติอย่างไรต่อความแก่ชราเป็นต้นเมื่อขาดความรู้ความคิดในทางที่ถูกต้อง พอนึกถึงหรือเข้าเกี่ยวข้องกับชราโมรณะก็บังเกิดความรู้สึกและแสดงอาการในทางหลงมงมงายคลาดกลัวและเกิดความซึมเศร้าหดหู่ต่างๆดังนั้นอาสวะจึงเป็นเชื้อเป็นปัจจัยที่จะให้โศกปริเทวะทุกโทมนันตุปายาตเกิดขึ้นได้ทันทีที่ชราโมรณะเข้ามาเกี่ยวข้องอันหนึ่ง โศกะเป็นต้นเหล่านี้แสดงถึงอาการมืดมัวของจิตใจเวลาใดความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นจิตใจจะพร่ามัวร้อนรนอับปัญญาเมื่อเกิดอาการเหล่านี้ก็เท่ากับพวงอวิชชาเกิดขึ้นมาด้วยอย่างที่กล่าวในวิสุทธิมหากว่าโสกะทุกโทมนตสและอุปาญาตไม่แยกไปจากอวิชชา และธรรมดาบริเทวะก็ย่อมมีแก่คนหลงเหตุนั้นเมื่อโสกะเป็นต้นสำเร็จแล้วอวิชาก็ย่อมเป็นอันสำเร็จแล้วว่าในเรื่องอวิชาพึงทราบว่าย่อมเป็นอันสำเร็จมาแล้วแต่ธรรมะมีโสกะเป็นต้นแล้ ว, ว่าอาวิชาย่อมยังเป็นไปตลอดเวลาที่โสกะเป็นต้นเหล่านั้นยังเป็นไปอยู่ โดยในยะนี้ท่านจึงกล่าวว่าเพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดและสรุปได้ว่าชรามรณะของปุถุชนซึ่งพ่วงด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมนันตุปายาตยอมเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาหมุนวงจรต่อไปอีกสัมพันธ์กันไม่ขาดสาย